คิดดีในทางพุทธคือไม่ตรนีมีความเสียสละมีใจเป็นทานสามารถแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้อื่นได้เสมอนอกจากไม่หวงความตรนีเรายังไม่ควรหวงความพยาบาทใครหวงความพยาบาทก็เหมือนหวงโรงขังตัวเองไว้กับความเร่าร้อนค่อยๆฝึกที่จะอาภาัยเรื่องง่ายๆก่อน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 ของแบบนี้ต้องใช้เวลาพยายามฝึกและต้องสังเกตด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วตามวันเดือนปีที่ฝึกตนมาเมื่อตระหนักว่าอะไรอะไรก็ต้องใช้เวลาการนับเดือนนับปีสำรวจความคืบหน้าของตนเองนั่นแหละคือการนับถอยหลังเตรียมพร้อมสำหรับวันตายเป็นในตัวใจคุณจะจดจ่อ